พราธจักรแห่งเอกมูลกะยน245ภิบษุิจจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหลืองและสีแดงเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหลืองและสีขาวน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนเปรียงน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนน้ำท่าน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนน้ำมัน น้ำอจจิสีเหลืองและสีเหมือนนมสดน้ำอจจิสีเหลืองและสีเหมือนนมส้มภิกษุจงใจพยายามน้ำอจิจิสีเหลืองและสีเหมือนในสเคลื่อนต้องอบัตสังคาธิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอจิจิสีเหลืองและสีเขียวเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษพัทธจักรแห่งเอกมูลกะในจบ